ก็จะเรินพรอยอมเมื่อวานเราเคุยเรื่องปล่อยวางนะปล่อยวางก็คือมีก็คือปล่อยวางกายนะปล่อยวางจิตแล้วก็ปล่อยวางผู้รู้แต่จริงะผู้รู้กับจิตเนี่ยมันก็คือในอันเดียวกันแหละแต่ทีนี้เมื่อเมื่อไม่เมื่ออะไรนะเขาเรียกว่าไ อ, อ้ตัววิญญาณนะนะตัววิญญาณก็คือเป็นจิตจิตที่ทำหน้าที่รู้แต่ทีนี้ว่า เมื่อเมื่อมันหลงเข้าไปยึดวิญญาณแล้วเนี่ยมันก็รู้วิญญาณไม่ได้หลวงพ่อก็มีวิธีที่จะบอกว่าเออทั้งนั้นก็รู้ตัวเราสิถ้าเขาใดก็ตามที่ที่ว่าที่เรารู้เรารู้นะ่ะนั่นแหละให้รู้ตัวเราเสมันก็จะเห็นง่ายดีนะก็เลยมีวิธีปล่อยวางก็คือปล่อยวางกายปล่อยวางจิตจิตก็คือพวกคิดพวกอารมณ์ต่างๆนะที่เกิดขึ้นในจิตส่วนผู้รู้ก็คือตัวเรานั่นแหละเราเป็นผู้รู้ แล้วก็ทุกการจะปล่อยวางไม่ว่าจะปล่อยวางสิ่งใดจะต้องเห็นก่อนจะต้องเห็นสิ่งนั้นก่อนนะเช่นปล่อยวางกายจะต้องเห็นกายก่อนปล่อยวางจิตจิตคิดหรืออารอมณ์ต่างๆต้องเห็นความคิดหรือว่าต้องเห็นอารอมณ์ก่อนปล่อยวางผู้รู้ก็ต้องปล่อยวางหมายว่าต้องปล่อยวางผู้รู้คือต้องเห็นตัวเราก่อนว่าเรายังเป็นผู้รู้อยู่ทีนี้เมื่อถ้าสิ่งสามอย่างนี้เป็นสิ่งถูกเห็นเมื่อไหร่นะมันก็จะเกิด ตัวเขาเรียกว่ามันจะมีตัวตัวธาตุรู้ที่มาเห็นกายมาเห็นจิตแล้วก็มาเห็นตัวเราซึ่งธาตุรู้เนี่ยเป็นตัวที่หลุดพ้นเป็นตัวปล่อยเป็นตัววางเพราะนั้นภาคปฏิบัติจริงก็คือเนี่ยต้องต้องมีสตินะรู้รู้ตัวเรารู้กายรู้จิตแล้วก็จะทำให้เมื่อมันมีสติมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เห็นชัดขึ้นเมื่อเห็นชัดมันก็จะเกิดการปล่อยการวางโดยอัตโนมัติ อืวันนี้หลวงพ่อก็ไม่รู้จะตั้งเรื่องอะไรก็ต้องรู้เห็นตัวเองอีกอัแหละเพราะว่าการเห็นตัวเองก็คือเป็นเรื่องที่ต้องมีประจำอยู่แล้วหลวงพ่อจะไม่ตั้งชื่อแต่ผู้ปฏิบัติก็ต้องเห็นตัวเองอยู่ใช่ไหมหลวงพ่อจะตั้งชื่ออื่นชื่ออะไรก็ตามเออแต่ความเป็นจริงอ่ะจะต้องเห็นเห็นตัวเองนะเห็นตัวเองเนี่ยมันมีความหมายว่าอาจจะเห็นแบบทีเดียวไปเลยเขาเรียกว่าทั่วตัวทั่วพร้อมเห็นหมดนะยก ยกชุดเลยเห็นตัวเองอันนี้ก็สามารถปล่อยวางตัวเองได้ในพริบตาเดียวเหมือนกันหรือว่าเห็นตัวเองลักษณะที่เห็นกายกายเดินกายนั่งกายเคลื่อนไหวเนาะอันนี้ก็ <alted. S 1> จะปล่อยวางเฉพาะส่วนนั้นหรือว่าถ้าเห็นตัวเองในส่วนที่เป็นความคิดหรือความรู้สึกก็ปล่อยวางส่วนนั้นไปแต่ทีนี้การปล่อยวางจริ ง, รงๆมันก็แล้วแต่ขณะจิตเนาะ <ๆ S 1> เห็นตรงไหนชัดก็ต้องปล่อยวางตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นขณะจิตเป็นขณะจิต ค่ะตามหัวข้อปล่อยวางเนี่ยค่ะเมื่อจะกรู่ไป อ, อห้องท่านชจียพนนะคะก็มีคนถามค่ะว่าเนี่ย อ, อตัวเองเนี่ยนะคะมีความทุกข์นะคะไม่รู้ว่าจะทํายังไงควรจะทํำยังไงดีอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. เหมือนกับคนเล่นเกมนะคะเ อ, อท่านชจียพนก็กล่วว่ า, วาเนี่ยก็เหมือนเราดูเกมในสนามอย่างเช่นฟุตบอลอย่างเงี้ยนะคะเราก็แทนที่เราจะลงไปเล่นนะคะ เราก็ขึ้นมาบน อ, อ, อัธจันทร์ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นแค่เพียงผู้ดูเราก็จะเห็นผู้เล่นเราอย่าไปเป็นผู้เล่นซะเองนะคะก็ผู้เล่นมันก็จะต้องลงไปทั้งเหนื่อยทั้งวิ่งทั้งอะไรอย่างนี้นะคะเราก็แค่ยืนดูบนอัธจันทร์ดีกว่าก็ออกจากการเป็นผู้เล่นซะนะคะอ่าก็ดูเหมือนจะง่ายแต่ว่าเราจะดูว่าเราเอ๊ะจะฮึบขึ้นมาทันว่าเราไม่ต้องลงไปเล่นไหม ค่ะและเหมือนก่อนจะมากกว่านั้นคือเราเนี่ยจะกลายเป็นคนที่มองดูจากอีกทีหนึ่งเห็นเรามองเออ่ผู้ที่ดูผู้เล่นอีกทีหนึ่งด้วยอืมนะคะอ่าจะสิ่งได้ถอยหลังมาให้เป็นผู้ที่มองดูผู้เล่นก่อนอนะคะค่ะเพราะการอธิบายแบบนั้นเห็นไหมเราจะเห็นเลยว่ามีการแยกกันเนาะระหว่างผู้เล่นกับผู้ดูมันจะต้องแยกแต่ทีนี้ถ้า ถ้าแยกไม่ได้หรือว่ายังไม่เห็นเนี่ยทั้งผู้เล่นผู้ดูเนี่ยมันเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะตรงนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ออกจากไม่รู้จะออกจากทุกได้ยังไงทนะีนี้การที่จะให้มันแยกออกมาเนี่ยก็คือมีสตินั่นแหละเริ่มต้นก็คือฝึกรู้สึกตัวนะฝึกรู้ทีนี้มันก็จะเข้าใจเรื่องสิ่งตุกรู้กับผู้รู้เห็นไหมแล้วก็เมื่อฝึกมากเข้าเนี่ยมันก็ต้องรู้จักผู้รู้แน่นอนว่าผู้รู้นี่คือมาเป็นผู้ดูแลซึ่งเป็นคนละตัวกับ สิ่งถูกรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอุปมาอุปไมเนี่ยเหมือนกับว่าให้เห็นภาพเนาะให้เห็นภาพว่าอ๋อมันเป็นคนละสิ่งกันระหว่างผู้เล่นกับผู้ดูอ <c oughs> แต่ทีนี้ <c oughs> เวลาภาคปฏิบัติเนี่ยมันหลวงพ่อเมื่อก่อนหลวงพ่อกําเขียนท่านสอนบอกว่าเห็นมันอย่าเข้าไปเป็นหลวงพ่อก็เอาตัวเราอีกตัวงออกมาเห <c oughs> มือนกับมันมันเอาตัวเราอีกตวัวมามาถอยเนาะถอยมาเป็นผู้ผู้เห็นแล้วก็ ไอ้สิ่งถูกเห็นเช่นไปเห็นทุกข์เป็นอะไรเห็นทุกข์เห็นสุขเห็นอะไรก็ตามความรู้สึกว่าเออตัวเราเนี่ยเริ่มเริ่มหลุดออกมาจากทุกข์ออกมาจากสุขแหละมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ที่มันไม่ได้ทั้งหมดเพราะอะไรมันมันเหมือนกับว่ามันสร้างตัวเราออกมามันสร้างตัวเราถอยมาเป็นผู้ดูเลยมารู้ความจริงภายหลังว่าอ๋อไอ้ตัวเราที่ถอยมาเป็นผู้ดูเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นแค่เป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกัน <Okay. S 2> ก็เลยรู้จักอีกรู้หนึ่งที่มารู้ไอตัวถอยก็เลยต่อไปให้มันถอยอะพอถอยปั๊บมันก็ไอตัวถอยนี่เราจะเป็นสิ่งถูกรู้ขึ้นมาทันทีเลยก็จะกง <Okay. S 2> ่ายขึ้น <Okay. S 2> ทีนี้วิธีที่จะให้เขาเข้าใจอีกมุมมองหนึ่งเนาะเมื่อกี้มุมมองที่ประเภทว่ามีตัวเราถอยออกมาแล้วก็มันจะมีตัวตัวรู้ตัวจริงมารู้ตัวถอย <Okay. S 2> ทีนี้ไอตรงเนี้ยมันก็ มันมันไม่ชัดแต่พอมาตอนหลังเนี่ยหลวงพ่อก็ต้องพูดซ้ำอีกอะนะว่าทำไมหลวงพ่อถึงได้เข้าใจว่าไอ้ตัวรู้ที่แท้จริงนะซึ่งมันไม่ใช่เป็นตัวถอยแต่เป็นผู้รู้ที่ไม่ปรากฏตัวก็ <c oughs> ที่เคยเล่าถึงว่ามีอาจารย์ยบอกว่าเออมันไม่มีผู้เห็นนะมีแต่การเห็นแล้วก็หลวงพ่อก็ไปไปดูเรื่องเรื่องนาฬิกาเนาะ ท, <c oughs> ที่ที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยไปดูนาฬิกาที่มันแขวนอยู่ที่ผ น, นังอะ มันมีลูกตุ้มแข่งไปแข่งมาแข่งไปแว่งมาแต่มันไม่มีผู้เห็นเห็นอยู่แต่ไม่มีผู้เห็นไอ้ตรงเนี้ยที่บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าฟังแล้วไม่เข้าใจนะแต่ด้วยที่ว่าพิสูจน์กันหลวงพ่อนี่แหละตัวหลวงพ่อเนี่ยตัวอัตตานี่เนาะก็เลยไปยืนไปยืนดูที่ผนังจริงจริงเพ่งเอาไว้พอเพ่งไปเพ่งมาเพ่งนานๆปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยไอ้ตัวเราที่ยืนดูเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้เลย เป็นถูหลูกเป็นสิ่งถูงกรู้แบบ 100% ยเปซแล้วผู้ไอที่มารู้ตัวหลวงพ่ออ่ะมันเข้าใจได้ร้อเเหมือนกันว่ามันไม่ใช่หลวงพ่อแล้วมันเป็นความไม่ปรากฏตัวผู้ผู้รู้ด้วยเนี่ยตรงเนี้มันคล้องเหมือนกับตรงกับที่ที่โยมเวนวยเล่าเมื่อสักครู่ตอนรายการที่บอกว่าเออเขาเล่นฟุตบอลอยู่ก็ให้เขาเป็นผู้เล่นแต่นี่เป็นผู้ดูก็มันเป็นอีกอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ดูเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะผู้ดูเนี่ยมันก็แบบเหมือนกับ มันมันมันหลุดออกมาจากตัวเราเลยอะ่ะมันหลุดออกมามันแยกออกออกไปึ่งชัดเจนมากพาเป็นอย่างนี้ยเลยจับทางได้เลยว่าอ๋อการเป็นผู้ดูเนี่ยก็คือดูอย่างเนี้ยดูเป็นเลยทีนี้พอดูเป็นเสร็จก็มีการพัฒนาเนาะ <c oughs> ไปไปฝึกซ้อมฝึกอะไรจนกระทั่งมันมันแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเนี่ยก็เลยมาบอกพวกเรานี่ว่าเออมาฝึกซ้อมตรงนี้ให้เก่งนะให้ชำนาญ น, นะให้มันเหมือนกับว่า ไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกดูตัวเราทั้งตัวเลยเนี่ยเป็นสิ่งถูกดูเนาะแต่ผู้ดูไม่ปรากฏตัวเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละนะน เ, นเขาเรียกว่าผู้ดูเนี่ยไม่ได้ลงมาเล่นด้วยกับเราแล้วเราจะเป็นอะไรไอ้ผู้ดูมันก็ไม่ไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่าผู้ดูเป็นความไม่ปรากฏตัวทีนี้หลวงพ่อพูดแบบนี้สาหรับผู้ที่เข้ามาฟังวันนี้วันแรกหรืออาจจะเคยฟังมาก่อนเนี่ยได้ไปลองออฝึก ตามแนวทางที่หลวงพ่อแบบเล่าให้ฟังแบบเนี้ยไม่รู้มีใครฝึกบ้างไหมแล้วผลเป็นยังไงมัง่งออพ่อเขาอยากจะรู้เหมือนกันนวัชการครับหลวงพ่อครับก็ฝึกกับทุกวันนะครับหลวงพ่อฝึกเขาเรียกอะไรงไงอะคือเหมือนหลวงพ่อรู้ผมก็มือใหม่ใช่ไหมฮะก็ะอาศัยความเพียรก็ฟังฟังคลิปบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้วันนี้ที่จะมาเล่าแชร์ให้ฟังเนี่ยก็ก็เชิงส่งไปบ้านหลวงพ่อนะฮะว่าไปปฏิบัติมาแล้วพบเจออะไรบ้าง คือตอนนี้เนี่ยจุดที่ผมผมปฏิบัติอยู่เนี่ยผมใช้าคาว่ามีผมนะเพราะว่าผมผมฝึกเป็นเป็นผู้รู้ก่อน<ะ>ก่อนจะละตัวรู้ได้มันต้องเป็นผู้รู้ก่อนคราวนี้อที่หลวงพ่อได้สั่งสอนมาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมแยกได้แล้วว่าอาอันไหนที่แบบเป็นสังขารที่เป็นความคิดอารมณ์ที่เป็นกายเป็นใจเราอะไรอย่างเงี้ยคือพอไปฝุกเนี่ยมันมันเห็นอะไรในตัวเองเยอะขึ้น ผมพยายามแบบว่าเขาเรียกอะไรบางทีมันก็พยายามบางทีมันก็ไม่พยายามมันก็รู้ของมันเองนะแต่ก็คนเดินทางนะมันก็ต้องแบบมีแบบวินัยบ้างไม่มีวินัยบ้างแต่ว่ามันจะมีความความรู้ตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแยกแย ะ, ย ะ, ยะออกว่าเออนี่นแะบบมันคือสภาวะธรรมนะมันเกิดดับนะอันนี้เรารู้นะอันนี้เราหลงนะอะไรเงี้ยครมันก็จะเห็นชัดขึ้นยกตัวอย่างเหมือนแบบเหมือน ผมเริ่มเห็นสภาพอารมณ์ตัวเองเช่นเหมือนแบบผมเปรียบเป็นผีแล้วกันผมชอบนะนะผีขี้โกรธผีขี้บน่นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีผีรูปผสมก็มีก็จะแบบเจอหลายๆอย่างเห็นมากขึ้นแล้วก็แบบก็แค่เห็นก็แค่รู้ไปเดี๋ยวมันก็มันก็ดับไปไอทําได้ก็มีมีมีเพิ่มขึ้นดีทําทําไม่ได้หลงไปเลยก็มีเหมือนหลวงพ่อบอกว่าเคยเคยเคยสอนในคลิปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง พวกเรามาปฏิบัติธรรมกันไอตัวจุดสตาร์ทเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยบางทีมันมันไม่รู้ไงผมก็ไม่สามารถจับไอรถไฟขบวนความคิดของผมได้ว่ามันมันมีอะไรบ้างมันมีอารมณ์อะไรคือมันมันเยอะมากแต่เราเริ่มเห็นมันมันลางๆแล้วทีเนี้ยมันก็บางทีมันก็ก็เผลอขึ้นไปบนรถรถไฟขบวนความคิดเลยบางทีก็หลงไปสองสามวันแล้วผ่านไปอยู่ดีก็มารู้ตัว เฮ้ยอ้าวหลงไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรทุกปัจจุบันขณะก้าที่ผ่านมาก็จบไปแต่มันมันโชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าใน เ, เรื่องรถไฟความคิดเนี่ยคือเวลาเขาหลงไปเนี่ยแล้วในแต่ละวันเนี่ยความเพียรที่มีในการฟังคลิปหลวงพ่อหรือหรือได้แบบฟังบทสนทนาในห้องเนี้ยมันเหมือนว่ า, อาตอนที่ผมขึ้นไปบนรถไฟเนี่ยพอผ่านชันชาลาเนี่ยก็จะมีหลงหลวงพ่อกับคุณหนุ่ยๆเนี่ยกวาดมาโยมหนิงเอาลงมาก่อนนะ หลงไปแล้วอะไรเงี้ยคือเหมือนจะมีกระยาญ น, นมิดคอยคอยเตือนสติตลอดตรงนี้มันมันช่วยผมได้เยอะแล้วผมก็มานั่งทบทวนตัวเองดูว่าไอ้เหตุผลที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่ออะไรทําไมเราต้องมาฟังขับเฮาห้องนี้บ่อยๆคลิปของพ่อบ่อยๆอะไรเงี้ยคือบางทีแบบมันก็ได้ย้อนกลับมาดูว่าอ๋อที่เราอยากฟังเนี่ยเป็นพราะเราอยากจะมีความพ้นทุกข์เราอยากจะมีความสบายกายใจขึ้นเยอะอะไรเงี้ย แล้วพอรู้สภาวะอีกนี้ขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นดาบสองคมอีกมันเหมือนสังขารปรุงแต่งเข้าไปอีกชั้นหนึ่งกลายเป็นว่าเริ่มฝึกแล้วรู้สึกว่ามีตัวแบบอยากหาตัวรู้ที่แท้จริงอยากคลายสงสัยอยากขจัดอารมณ์ทุกอย่างอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราเนี่ยคือแบบมันทําให้แบบเหมือนเหมือนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ยังไม่ถึงจุดขนาดถึงสลายตัวตนอ่ะนะคือตอนนี้เหมือนผมพยายามแยกผีกับคนให้ให้มันเห็นชัดกันก่อนว่าเออเนี่ยผมเป็นคนนะ และพวกทุกอย่างเนี่ยเป็นสังขารเป็นผีมันเกิดดับอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายผมรู้ดีว่าตัวผมเนี่ยมันก็เป็นสังขารมันก็ต้องเกิดดับแต่ว่าณตอนนี้ที่ฝึกมามันก็ก็ได้ประมาณเท่านี้นครับก็ <C oughs> <c oughs> ดีแล้วนะเออมีความมีความเพียร น, นะมีความเพียรที่จะอ่าสังเกตอาการต่างๆนะแล้วก็มีความละเอียดแล้วละ่ะตรงเนี้ยนะมีความละเอียดทีนี้ก็ก็ทําไปอย่างนั้นเลยเนาะเออทาไปอย่างนั้น แต่ก็พึงให้พึงเข้าใจเลยว่าทุกอย่างเนี่ย ท, ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยให้รับรู้ได้นะพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นสังขารแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ปรากฏเลยที่เรียกว่าใจนะใจมันก็ได้แต่รู้แต่ว่าโอเคเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องใจมากเพียงแต่ว่าอะไรปรากฏขึ้นแล้วรู้ได้เนาะแล้วมันก็จะมีความแปรปรวนแค่หลวงพ่อฟังก็โอ้โหมันแปรปรวนไม่รู้กี่ตลบแล้วเนาะมีแต่ความแปรปรวนทั้งความคิดทั้งอารมณ์ทั้งความสับสนวุ่นวาย มันเป็นเรื่องของความแปรปรวนอันนี้แหละเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เรียนให้มาเรียนรู้ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มันเป็นสังขารเนานะซึ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานะมันเป็นความจริงของของสังขารทั้งหลายที่เมื่อปรากฏแล้วแล้วก็หมดไปนะส่วนใจก็ได้แต่รับรู้ใจเนี่ยให้มองเป็นภาพรวมเลยว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยได้ผ่านการรับรู้ของใจมาหมดแล้ว นะเพราะว่าใจเป็นธรรมชาติที่ที่มีอยู่ตลอดเวลาแต่ใจก็ไม่เคยปรากฏตัวแต่ใจก็ได้รู้ได้เห็นเป็นปัจจุบันขณะนั้นอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ทีนี้เรื่องของความเป็นตัวเราเมื่อกี้ตรงนี้ก็สำคัญนะที่บอกว่าเอ้าและที่เรามาเข้าห้องลับมาฟังนั่งฟังนี่เนี่ยมันเพื่ออะไรมันพาอะไรตรงนี้แหละ ม, มันยังมีความเป็นจะเรียกว่ามีตัวเราอยู่เป็นตัวเราที่แบบละเอียดมากซึ่ง ซึ่งมันถ้าเรามองมองเลยเนี่ยมันไม่เห็นหรอกแต่ว่าถ้าเป็นภาพรวมเนี่ยมันจะเข้าใจเลยว่ายังมีตัวเราอยู่ที่เป็นผู้ามาศึกษาธรรมะเนาะอยากจะให้ตัวเราเนี่รู้แจ้งนะรู้แจ้งในธรรมะรู้แจ้งในอะไรต่างๆที่ตัวเรายังไม่รู้นแล้วก็สุดท้ายก็เพื่อให้ตัวเราเนี่ยพ้นทุกไปอันเนี้ยมันจะมีตัวเราแต่มองไม่เห็นว่ามีตัวเราแต่ถ้าพิจารณาดูดีๆมันยังมีแน่ มันเข้าใจได้เลยว่ามีตัวเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพียงให้รู้ว่าไอ้สิ่งเนี้ยไอ้สิ่งที่มาเข้าห้องเนี่ยนะที่มาฟังนู่นฟังนี้เนี่ยให้เห็นเป็นปัจจุบันว่าไอ้ตัวเนี้ยคือเป็นสังขาร น, นะพอรู้ว่าไอ้ตัวที่มาฟังเนี่ยมันเป็นสังขารแค่เนี้ยมันก็พ้นจากสังขารแล้วหรือว่ารู้ว่าเนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่อยากจะรู้อยากจะถามนะในปัจจุบันก็ให้เห็นว่าอ๋อไอ้ตัวนี้ก็เป็นสังขาร เพราะนั้นเนี่ยทุกขณะปัจจุบันถ้ารู้ตัวว่ากําลังถามกําลังพูดกําลังคิดกําลังสงสัยกําลังอยากรู้อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยถ้ารู้ตัวทันในปัจจุบันก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยโอมันก็เป็นแค่สังขารปกติซึ่งมันทํางานของมันตรงเนี้ยแล้วก็จะทําให้ไม่หลงยึดถือในสังขารว่าเป็นตัวเป็นตนนะเพราะนั้นความหมดไปความสิ้นไปของตัวตวนเนี่ยมันก็จะหมดไปสิ้นไปก็ขณะ ที่รู้ตัวในปัจจุบันนั่นแหละเพราะทุกครั้งที่รู้ตัวในปัจจุบันมันก็จะมีปัญญาเข้าใจถูกต้องว่ามีแต่สังขารเท่านั้นที่กำลังปรากฏไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนะถึงลึกๆจะรู้สึกว่าเป็นตัวเราแต่ความรู้สึกมันก็เป็นแค่สังขารที่กำลังปรากฏมันก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่เองนะอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่ดีแหละมันเป็นแค่สังขารเท่านั้นที่กาลังปรากฏ เพราะว่าตัวเราเนี่ยมันไม่มีตัวเราไม่มีจริงๆอ่าเพราะงั้น ง, ง่ายเลยอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยทั้งความรู้สึกทั้งอะไรก็แล้วแต่เข้าใจได้เลยว่าอา๋อเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นเป็นสังขารแล้วก็หมดไปหมดไปหมดไปเนี่ยพัฒนาต่อ ย, ยอดจเจริญตรงนี้ให้มากแล้วก็มันก็จะสมุดเฉตในที่สุดแหละเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางนะเป็นมรรคเป็นทางเดินที่จะต้องให้ให้ชำนาญให้เห็นให้รูร้แจ้ง รู้แจ้งรู้จริงจนกระทั่งรู้แล้วสิ้นหยุดไม่มีความหลงเป็นตัวเป็นตนอีกต่อไปขออนิดนึงคนระมันจะมีอยู่ช่วงที่ผมหลงหนักๆเนี่ยฮะที่แบบไอ้ตัวรู้อยู่ไหนนะพยายามแบบว่าแบบฟังคลิปจนแบบว่าแบบจะเลิกฟังไปเลยแล้วก็หลวงพ่อวันถัดไปก็จัดเหมือนแบบหัวข้อประมาณวนะ่าเป็นจุดๆๆหรือว่าแบบเรากําลังหาอะไรอยู่อะไรประมาณนี้ฮนะแล้วก็มีประโยคหนึ่งหลวงพ่อพูดว่าแบบปฏิบัติเนี่ย เพื่อนรู้คือประโยคนั้นแบบคือมันทําให้ผมรู้สึกแบบว่าแบบคือจากที่หลงไปสองสามวันนี้ก็แบบอืมมันก็มันก็แค่รู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกแบบว่าแบบคือมันก็ก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมครับอืมนะโอเคก็ตรงนี้ก็หลวงพ่อก็ชี้อีกว่าเห็นไหมที่ที่ตัดหลงตอนนั้น่มันออกไม่ได้เนาะแต่ก็ผ่านไปแล้วแต่ปัจจุบันนี้รู้ตัวเห็นไหม รู้ตัวรู้ทั้งตัวชัดเจนเลยว่าไอ้ตัวทั้งตัวเนี่ยตโตเป็นสังขารเนี่ยอืครับเห็นไหมมันจะเหมือนกับว่ามันเป็นอัพการรู้ตัวปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะถ้าเป็นพวกแอปต่างๆเนาะถ้ามีการอัปเดตแล้วก็คือว่าล่าสุดแล้วไอ้ก่อนนั้นเนี่ยมันจะดีจะขัดข้องยังไงไม่ไม่ไม่เกี่ยวและปัจจุบันเนี่ยคือล่าสุดแล้วล่าสุดคือมีแต่รู้สึกตัวแล้วก็ตัวไม่ได้เป็นอะไรตัวเป็นแค่สังขาร เห็นไหมมันก็จะโอ้โหตาสว่างนะครับเนี้ยเพราะว่ามันจำแจ้งในปัจจุบันอืมแค่นี้อันนี้ผมผมแชร์นิดนึงเมอันนี้ก็เป็นเรื่องเมื่อวานที่เกิดขึ้นแล้วฮะแต่อยากจะแชร์เพราะว่าเมื่อวานคุณหนุนุ้ยเนี้ยทักมาเชิญให้ขึ้นมาเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมฮะพอดีผมเพิ่งขับกลับจากฉีดวัคซีนโควิดนะฮะทีนี้ก็แบบพอตอนพอตอนเห็นแบบไอ้ไอ้เขาเรียกอะไระไอ้ข้อความขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบเหมือนมัน มันมีความรู้ตัวขึ้นมาทันทีเลยแบบว่าเฮ้ยเรากำลังขับรถอยู่นะคือคือผมเลยเข้าใจว่าไอ้สติตัวนี้มันมันใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันเราได้ด้วยเพราะว่าถ้าเราแบบคุยโทรศัพท์หรือแบบอ่ากำลังจ้องมือถืออยู่อะไรเงี้ยคือความลืมตัวในการเป็นผู้ขับอะ่ะ ม, มันมันมีคือเหมือนมั น, ม, นมันจิตมันจับเป็นแบบว่าเขาเรียกนะทีละจุดอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็รู้สึกว่าแบบอืตรงนี้มันก็เอามาเป็นธรรมะในการที่แบบเหมือนเราแบบเขาเรียกเปนเดินปัญญาได้ครับหลวงพ่อครับถูกต้องถูกต้ครับขอบคุณครับค่ะสาธุค่ะคุณหนึ่งค่ะก็สตินี่แหละค่ะเราสามารถที่จะเ อ, อมนุษย์ทุกคนนะนะคะมีสติได้เหมือนกับเ อ, อบางทีตอนนั้นเคยได้ยินคําสอนของเ อ, อหลวงพ่อเยือนมัคะนะคะหลวงพ่อเยื้อนบอกว่า รู้สึกหลวงพ่อเย็นเนี่ยจะเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ดุลหลวงพ่อเย็ยนก็บอกว่าธรรมะเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละนะคะเป็นแต่ว่าเราเข้าใจผิดเพียงนิดเดียวเองเราก็เลยหล่นไปสู่ความผิดพลาดเมื่อเข้าใจผิดแล้วผิดแล้วมันผิดเลยว่าต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ก็ยาวเหยียดไปเลยซึ่งธรรมะแท้ๆเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละนะคะทำจิตให้เป็นปัจจุบันตรงนี้แหละธรรมะแท้มันจะอยู่ตรงนี้นะคะมื่อทุกราเนี่ยมันจะมี เ, ออเขาเรียกอะไรคะมีความคิด ซึ่งความคิดพวกนี้ก็คือสังขารดาวนี่แหะนะคะกับผัสสะคือความรู้สึกผัสสะก็คือต่างๆไม่ว่าจะเป็นขันต่างๆเย่างนี้ค่ะมันก็คือเอ่อทำให้เรามีผัสสะฉะนั้นความคิดเมื่อเรารู้ว่าความคิดก็เป็นสังขารเมื่อที่เราลืมค่ะว่าเนี่ยเราคิดขนาดหลวงพ่อพูดถึงว่ากลับมารู้เราเรายังใช้ความคิดกลับมารู้เราเลยแต่ถ้าเรารู้ทันความคิดตรงนี้ด้วยเนี่ยมันจะช่วยเราได้มากค่ะ พยายามให้รู้รู้ทันก่อนก็ได้อ่ะรู้ทันแม้ทั้งความคิดแล้วก็น้อมลงมาแล้วก็เอเหมือนกับว่าแทนที่เราจะไปต้องไปนั่งจับความคิดเราก็ปล่อยให้มันคิดไปค่ะนะสำหรับมิ้นเองนะคะเมื่อก่อนนี้ต้องแบบเอ๊ะทําไมเราถึงคิดทําไมหรือมันจะมีแบบตัวไปจับความคิดอีกทีนึงแต่พอหลังๆนี้เราเข้าใจเนี่ยมันจะมันจะคิดอะไรก็ให้มันคิดไปค่ะทื่เดี๋ยวเรารู้มาแล้วอะค่ะมันจะคิดทางไม่ดีทางดีบางคนบอกว่าเห็นมันมีสองฝ้า ใช่หนูี่เคยได้ยินหลายๆท่านเนี่ยพูดว่าเนี่ยความคิดพอขึ้นมามันจะมีฝั่งที่ไม่ดีพูดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีฝั่งดีเหมือนกับเป็นฝั่งดําฝั่งขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พ, พูดพูดพูดแต่เราค่ะทั้งสองฝั่งค่ะไม่มีอะไรจริงเลยเราเป็นแค่เพียงผู้ดูมันแล้วก็ตอนหลังก็ไม่ต้องสนใจมันนะคะให้เราสนใจสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเราอว่าตรงนั้นคือปัจจุบันจริงๆ ไม่ใช่สิ่งที่เป็นความคิดหรือว่าแม้กระทั่งผัสสะที่เราไปเจอทั้งหลายเนี่ยอันนั้นนะมันก็ไม่ใช่ของจริงเราก็แค่ได้แต่มองแค่นั้นเองพอเสร็จปุ๊บก็เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าใจจุดนี้แล้วก็พัฒนาขึ้นมาได้อีกก็หลวงพ่อมีเสริมไหมคะค่ะ <laughs> ประโยชน์เหล่านี้นะที่ที่โยมได้ยก่อ <c oughs> บอกพวกเราเนี่ยนะ รวมถึงหลวงพ่อจำว่าท่านก็เคยพูดถึงว่าธรรมะเนี่ยรวมถึงนิพพานด้วยเนาะมันอยู่<ะ>ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยแต่ทีนี้เ อ, อเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดถึงความที่ที่ไม่เข้าใจนะเมื่อก่อนเนี่ย<ะ>มันไม่เข้าใจจริงๆริงไอ้ประโยคที่ที่ได้ยินได้ฟังมาแบบเนี้ยว่ามันอยู่ต่อหน้า<ะ>แล้วเราก็คือมันสงสัยอะอะไรอะอยู่ต่อหน้าอะไรอะไร <c oughs> ค, คือคือมันไม่เข้าใจสักอย่างเพราะว่ามันมีความคิดเนาะความคิดถึงว่า อะไรเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยอะไรแต่ทีนี้ทั้งๆถ้าสมมติว่าหลวงพ่อพูดถึงยกตัวอย่างนะสิ่งที่มีอยู่ต่อหน้าตัวตาก็คือตัวเราใช่ไหมอืมค่ะ <u'> ตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่รับรู้ได้อยู่แล้วซึ่งมีอยู่เนี่ยตอนนี้รู้ได้เลยตัวเราทั้งตัวเนี่ยรับรู้ได้รวมถึงนอกตัวเราเนี่ยก็รับรู้ได้ว่าสิ่งที่อยู่นอกตัวเราคือมันพ้นจากตัวเราใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งภายนอกไอ้ inevit? ตรงนี้ก็รับรู้ได้นะแล้วทีนี้เมื่อรับรู้อย่างเนี้ยก็เท่ากับว่ารู้แจ้งอยู่ ก็คือรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งถึงตัวเราที่มีอยู่รู้แจ้งสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราที่มีอยู่นะแล้วก็เมื่อรู้แจ้งอย่างเนี้ยความรู้สึกอันนี้หมายถึงว่าไอตอนที่เข้าใจแล้วนะเนี่ยตอนนี้เข้าใจแล้วอ๋อสิ่งที่อยู่ต่อหน้าต่อตาก็คือตัวเราแล้วก็สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วก็รู้อยู่เห็นอยู่พอรู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยเหมือนกับว่ารู้เข้าใจได้เลยว่าไอสิ่งนั้นเป็นความมีอยู่ แต่มันไม่มีใครเป็นเจ้าของนะตัวเราก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งที่พ้นไปจากตัวเราก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วก็รู้แจ้งอยู่อย่างเนี้เห็นแจ้งอยู่อย่างเนี้มันก็ไม่ทุกข์แล้วมันไม่มีอะไรต้องทุกข์เลยมันมีแต่ความไม่เป็นอะไรเนาะมันก็เลยเหมือนกับว่าโอ غ, มันเต็มหูเต็มหูเต็ม Vog, ตมาเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเต็มไปหมดแล้วแต่ว่าสิ่งพวกนั้นมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละ ไอ้ที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยที่เดินที่นั่งอยู่เนาะมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละเออแ ล, แล้วก็สิ่งที่อยู่นอกตัวเออมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละก็ได้แต่เห็นแจ้งรู้แจ้งอยู่อย่างเนี้ยก็เลยอ๋อที่ท่านบอกว่าเนี่ยอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วเนี่ยโธมันก็อยู่อย่างนี้จริงๆอะ่ะคออ่ะแต่แต่ทีนี้ความแตกต่างว่าเมื่อก่อนทําไมไม่รู้กับตอนหลังรู้นะความแตกต่างมันมีคือความแตกต่างเมื่อก่อนเนี่ยมันรู้ตัวไม่เป็น มันไม่คือมันแยกไม่ได้ระหว่างตัวเรากับผู้รู้ตัวเรามันแยกไม่เป็นพอแยกไม่เป็นเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวเรากับไอตัวผู้รู้เนาะมันก็เข้าเป็นตัวเดียวกันพอเข้าเป็นตัวเดียวกันเสร็จแล้วก็ไอตัวเราเนี่ยก็เห็นสิ่งอยู่ข้างหน้าเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราเนาะเห็นต้นม้เห็นภูเขาเห็นอากาแต่มันไม่ได้เห็นตัวเราอย่างจริงจงจังๆว่าไอตัวเราเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งที่ยึดถือไม่ได้ไง ทีนี้พอตอนหลังก็เลยมาแยกเป็นว่าอ๋อไอตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้แต่ผู้รู้ไม่ปรากฏตัวพอเป็นแค่นี้มันแบบห ม, หมดสงสัยเลยเนี่ยมันจะแจ้งไปเลยทีเนี้ยของโยมหลวงพ่อก็ว่าแหละคือเหมือนกับคือเข้าใจอย่างนี้ว่าบางโยมที่ไม่เข้าใจนะเหมือนกับว่ามันแยกระหว่างตัวเรากับผู้รู้ตัวเรายังไม่ได้เนาะพอแยกไม่ได้เนี่ยมันเห็นตัวเราไม่ชัดมันเห็นตัวเราไม่ได้เลยอะ ยิ่งตัวเราดิ้นจะเห็นตัวเราเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันยังเป็นยังเป็นตัวเราทั้งก้อนอยู่เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องมีวิธีเดี๋ยววันนี้หลวงพ่อก็จะบอกวิธีอีกเพื่อให้เห็นตัวเรานะให้เห็นตัวเราเพื่อให้รู้ว่าตัวเราทั้งตัวเนี่ยเป็นแค่สิ่งถูกเห็นเป็นแค่สิ่งถูกรู้แต่ผู้รู้ไม่ปรากฏตัวเมื่อวานนี้มีหลวงพ่อยกตัวอย่างเนาะที่พูดถึงว่ามีหลวงพ่อเทียนเนี่ย ไปสอบอารมณ์กับผู้ปฏิบัติเท่าความนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเมื่อเมื่อวานเนี่ยอาจจะไม่อาจจะมีบางคนอาจจะไม่ได้ยินหลวงพ่อพูดถึงว่า เ, วเอาใหม่นะคือหลวงพ่อเมื่อเช้าเนี่ยได้ข้อมูลมาใหม่นะคือเมื่อวานเนี่ยที่หลวงพ่อเล่าไปเรื่องเรื่องอสอบอารมณ์เนี่ยหลวงพ่อไม่ชัดเจนว่าว่าใครเป็นผู้สอบอารมณ์นะไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อเทียนหรือหลวงพ่อคเขียนเป็นผู้สอบอารมณ์ แต่ปรากฏว่าเมื่อเช้าไปคุยกับคนที่เขาฟังแล้วเขาจำได้อ่า<ฆ>เขาบอกว่าจริงๆนะหลวงพ่อเทียนเป็นผู้สอบอารมณ์แต่หลวงพ่อคําเขียนเนี่ยเป็นผู้เล่าเรื่องอ่เป็นผู้เล่าเรื่องว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยสอบอารมณ์กับโยมอย่างนั้นอย่างนั้นนะ<อ>ก็เอาเป็นว่าอาหลวงพ่อเทียนสอบอารมณ์กับผู้ปฏิบัตินะหลวงพ่อเทียนสอนเรื่องรูปนามนะว่าเอ่อรูปนามเป็นยังไงซึ่งโอเคทุกคนก็พอ พอจะแยกแยะแล้วก็เข้าใจแล้วล่ะทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อเทียนก็หยิบหนังสือสวดมนต์เนาะมามาให้โยมดูนะแล้วก็หลวงพ่อเทียนถามว่าเนี่ยหนังสือสวดมนต์เนี่ยมันเป็นรูปหรือเป็นนามโยมก็บอกว่าเป็นเป็นรูปนะแล้วหลวงพ่อเทียนก็ชี้ไปดูที่พื้นดินนะแล้วก็ถามโยมว่าเนี่ยพื้นดินเนี่ยมันเป็นรูปหรือเป็นนามโยมบอกว่าเป็นรูปหลวงพ่อเทียนบอกว่าพอพอพอ รู้มากไปแล้วน ะ, ะทีนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าเออหลวงพ่อได้ยินแบบนี้มาหลวงพ่อก็ไม่เข้าใจทำไมหลวงพ่อเทียนถึงบอกว่าพอพอแล้วก็รู้มากไปแล้วให้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยชี่อย่างนี้นะว่าการที่เราเนี่ยตัวเราเนี่ยนะไปเห็นหนังสือนะแล้วก็พอไปเห็นหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยคือเขาแยกเป็นระหว่างหนังสือกับตัวเองเนี่ยนะ<ๆ>เขาจะรู้เลยว่าหนังสือก็คือเป็นสิ่งที่ถูกเห็นซึ่งถ้าโดยโดย สิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยโดยโด ย, โดยเวลาเขาสอนทางภาคปริยัติเนี่ยเขบอกว่ามันเป็นรูปเป็นรูป<ฆ>ที่มองเห็นด้วยตาเพราะฉะนั้นที่โยมตอบไปว่าหนังสือเป็นรูปเนี่ยจริงๆก็ถูกแล้วแหละอ่าแล้วก็พอชี้ไปที่ดินพื้นดินก็เหมือนกันที่ดินก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เหมือนกันซึ่งมีลักษณะซึ่งโยมก็ตอบถูกว่าเป็นรูปแต่ที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าพอๆรู้มากไปแล้วให้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเท่ากับว่าให้กลับมารู้ตัว อย่าไปรู้แต่หนัง ส, สือว่ามันเป็นรูปอย่าไปรู้ว่าอย่าไปรู้แต่ว่าที่ดินพื้นดินเนี่ยมันเป็นรูปให้กลับมารู้ตัวกลับมารู้ตัว ต, you know? ตรงนี้มันมันเกิดอะไรขึ้นก็คือทำให้เห็นตัวเองขึ้นมาว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ตัวเองเป็นผู้ร you know. ู้พอกลับมารู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นผู้รู้ปั๊บเนี่ยมันก็จะแยกระหว่างตัวเองกับผู้ที่รู้จริงหมายถึงว่า ผู้ที่รู้ที่ที่ไม่มีตัวตนน่ะเออมันมารู้ตัวเราว่าเราเป็นผู้รู้ตรงเนี้ยมันจะเกิดการแยกเป็นสองสิ่งขึ้นมาคิออกเนาะเออ <c uman> เป็นสองสิ่งคือตัวเราเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็มีผู้รู้อีกสิ่งหนึ่งที่มารู้ตัวเราไอ้ผู้รู้ที่มารู้ตัวเราตรงนั้นแหละเป็นเ <c oughs> ขาเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูแต่ไม่ใช่ตัวเรา <c oughs> แล้วก็ผู้รู้ผู้ดูนั้นแหละเป็นความไม่ปรากฏตัวด้วย พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็รู้ตัวเราสิเมื่อรู้ตัวเราเสร็จแล้วก็เท่ากับว่ามันก็ชัดเจนเลยมันแยกเป็นว่าอ๋อไอตัวเราเนี่ยเป็นแค่สิ่งถูกรูปเป็นไอตัวเราเนี่ยเดินได้นั่งได้เคลื่อนไหวได้คิดได้เสียใจได้โอ้มีทุกอย่างในตัวเราแต่ไอผู้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยมันมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันจึงพ้นไปจากตัวเรามันจึงไม่มีอาการนะมันไม่มีอาการใดๆอย่างที่ตัวเรามี พอเป็นอย่างเนี้ยไอตัวนั้นแหละมันเป็นตัวที่หลุดเป็นตัวที่แยกก็มันจะเข้าเรื่องกับเมื่อกี้ที่บอกว่าเนี่ยนะธรรมะเนี่ยมันปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วรวมถึงนิพพานด้วยแต่คนมองไม่เห็นอันเนี้ยเขากําลังหมายถึงว่าไอธรรมชาติรู้ที่ไม่มีตัวเนี่ยมันก็เห็นตัวเราเห็นสิ่งที่อยู่นอกตัวเรามันเห็นแจ้งไปหมดเลยแต่มันน่ะได้แต่เห็นแล้วมันก็ไม่ได้หลงยึดสิ่งที่มีสิ่งที่ปรากฏนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนของมัน มันก็จึงเป็นความหลุดพ้นเพราะฉะนั้นความหลุดพ้นก็คืออยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วแต่จะเข้าใจเรื่องความหลุดพ้นนี้ได้จะต้องรู้ตัวเราให้เป็นอย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างมามันงงไหมหลวงพ่อพูดแบบนี้เข้าใจเออใครเข้าใจลองลองมาอย่างให้ให้มาพูดเสริมเนาะเพราะว่าจะได้ช่วยคนอื่นด้วยว่าเออได้ฟังแล้วมันก็เข้าใจเพิ่มขึ้นน ะ, ะเพื่อจะได้ดึงคนอื่นด้วยไงเพราะบางที หลวงพ่อพูดเนี่ยภาษาหลวงพ่อเนี่ยคนอื่นอาจจะฟังไม่เก็ตแต่ถ้าพอยมพูดเนี่ยเขาอาจจะเก็ตก็ได้นะค่ะนักศึการหลวงพ่อค่ะพอดีหนูมีอมีอมอประสบการณ์เมื่อเร็วๆนี้ค่ะที่ได้ฟังหลวงพ่อพูดวา่าคือคือผู้รู้คือใจคือผู้รู้เนี่ยค่ะมันคือแบบมันจะรู้เราทุกอย่างแต่คือมันไม่เจ็บปวดกับเราด้วยเนยค่ะ ปรสบการณ์ล่าสุดก็คืออ่ามีน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะก็รู้สึกปวดมากเลยค่ะปวดจนแบบร้องไห้แล้วก็แบบนั่งนั่งสักแป๊นึงแล้วก็อยู่ๆก็นึกถึงคําที่หลวงพ่อสอนเนะะี่ยค่ะก็เลยแบบอะมันก็มีอีกตัวนึงอะ่ะคือแบบรู้รู้สึกว่าอ้าวมีอีกตัวหนึงที่รู้แต่ไม่ได้เจ็บปวดกับเราไง <c oughs> <c oughs> ค่ะก็คืออันนี้ก็คือใจอ น, นี่ก็คือแบบสั่งสานก็คือแบบ ภาวะที่เกิดขึ้นอย่าี้ยค่ะอ่าแล้วก็ก็คือมันมันแยกกันนะคะอ๋อค่ะใช่ถูกค่ะเข้าใจถูกแล้วละนะมันก็เป็นแค่ปัจจุบันตอนนั้นเนอะทีเนี้ยไอ้เรื่องตัวตัวรู้ที่รู้เราหรือจะเรียกว่าใจเนี่ยขณะที่มันเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนั้นๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันก็มันแยกกันจริงๆนะไอ้ตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้เจ็บผู้เจ็บหูเป็นผู้พูดผู้บนผู้้ววอเเนนนนีี่ะัก็็ปน อีกอีกลุ่มหนึ่งแต่ใจเนี่ยซึ่งรู้เราเนี่ยเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้บน่นแล้วก็เหมือนกับมันเป็นปัญญาของเราเนี่ยว่าเข้าใจได้เลยว่าไอ้ตัวนั้นแหละมันไม่เคยมีทุกข์ไม่เคยมีสุขเพราะมันพ้นไปจากตัวเราที่เป็นผู้เจ็บผู้พูด ผ, ผู้บน่นผู้อะไรได้เนี่ยอื purpose. มันเป็นคนละตัวกันทีนี้ถ้าใครเห็นตรงเนี้ยได้นะี่นะมันก็จะเข้าใจเรื่องความพ้นทุกข์จริงๆเลยเพราะมันรู้จักแล้วว่าไอ้ใจนั่นแหละคือตัวที่มันไม่มีทุกข์คือมันพ้นออกไปนแล้วก็ ตรงนี้อยากจะแนะนําว่าให้เห็นตัวเราในปัจจุบันเพราะว่าถ้าเราเอาตัวเราไปคิดในเรื่องอดีตสมมติว่คนที่ยังไม่มีประสบการณ์นะพยายามจะคิดให้เข้าใจเนี่ยอย่างเนี้ยไม่เห็นตัวเองเด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นให้เห็นตัวเองให้เห็นตัวเราในปัจจุบันเลยว่าเนี่ยตัวเนี้ยมีอยู่ตัวเนี้ยมีอยู่แต่ถ้าโยมไม่เห็นตัวเองในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเทียบเคียงกับสิ่งอื่นก็ได้เทียบเคียงกับสิ่งอื่นที่อยู่ใกล้ตัวเรานะอันนี้เป็นวิธีที่ง่าย เทียบเคียงก็คือเอาอะไรละ่ะมาเทียบเคียงก็เอาวัตถุสิ่งอื่นที่ที่ไม่ใช่เราอ่ะที่มันอยู่นอกตัวเรานี่นาะก็ไปเห็นไปรู้ใชว่ามันมีสิ่งนั้นอยู่แล้วก็พอรู้สิ่งนั้นปั๊บมันก็จะรู้ตัวเราด้วยว่าตัวเรากับสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นคนละสิ่งกันไอ้ที่รู้ว่าตัวเรากับสิ่งนั้นอะมันเป็นคนละสิ่งกันนะั่นอะตอนนั้นแหละมันมีภาวะผู้รู้ที่รู้เราแล้วเนี่ยมันจะง่ายๆคือทําให้เหมือนกับว่า คือให้เห็นสองสิ่งอ่ะให้เห็นสองสิ่งแล้วมันก็จะเข้าใจสิ่งสิ่งเดียวเออเห็นสองสิ่งเอาเช่นว่าหลวงพ่อจ ะ, พ, อะพูดให้ชัดขึ้นเนาะเช่นตัว่าตอนนี้โยมเนี่ยอ ย, อยู่อยู่ที่บ้านนะอาจจะอยู่กับกับคนกับคนที่อยู่ในบ้านอีกคนหนึ่งเห็นไหมอันนั้นก็เพื่อนเออแม่เราญาติเราก็ได้ที่อยู่ในบ้านอันนั้นก็คนนึงแล้วก็ก็จะรู้จักตัวเราเพราะตัวเรามันรู้จักตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าอ๋อตัวเราก็อีกคนหนึ่งทีเนี้ยหลวงพ่อก็จะชี้ให้เห็นว่า ไอ้ผู้ที่มารู้เราเนี่ยไอ้ผู้ที่มารู้รู้คนที่อยู่ในบ้านคนหนึ่งกับรู้เราที่อยู่อยู่ในบ้านด้วยเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยตรงนั้นแหละมันจะมีผู้รู้เราอยู่แล้วถ้าไม่มีผู้รู้เราแล้วจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่บ้านหรือว่าเราอยู่กับกับญาติเนี่ยอีกคนหนึ่งตรงนี้มันจะทำให้ตัวรู้จักตัวที่สามอะ่ะเออถ้าพูดอย่างเงี้ยให้พอเข้าใจเนาะให้รู้จักตัวที่สามขึ้นมาว่าไอ้ arriba, ตัวที่สามนั่นแหละตัวที่รู้เรา แล้วตัวนั้นแหละคือตัวที่ไม่ใช่เราแล้วก็ตัวที่พ้นไปจากเราง่ายๆแล้ววิธีที่ครูอาจารย์ท่านสอนให้รู้จักแยกรูปแยกนามก็เหตุผลเดียวกันคือเมื่อวานหลวงพ่อก็พูดไปแล้วเนาะเรื่องกายนะต้องรู้จักกายก่อนกายคือส่วนที่เนี่ยนั่งได้เดินได้นะเออที่นอนได้ที่วิ่งได้อะไรก็แล้วแต่อนี่คือกายทีนี้ระหว่าง ระหว่างที่กายเดินยืนนั่งนอนเนาะมันก็จะมีความคิดผุดขึ้นไงเห็นไหมชีวิตจริงก็รู้อยู่แล้วระหว่างที่เดินมันก็มีความคิดระหว่างที่นอนมันก็มีความคิดก็จะแยกได้ระหว่างความคิดกับตัวเราที่นอนที่เดินเนี่ยมันคนละตัวกันไอ้ตรงนี้แหละมันก็จะทําให้เข้าใจเรื่องไอ้ตัวรู้ขึ้นมาว่าอ๋อไอ้ตัวรู้เนี่ยมันรู้รู้กายแล้วก็รู้ความคิดเพราะฉะนั้นตัวรู้มันก็ไม่ใช่กายตัวรู้ก็ไม่ใช่ความคิดเนี่ยแค่นี้ก็พอจะ เป็นแนวทางที่จะให้รู้จักไอตัวที่รู้เราได้แล้ว